สิกขาบทที่ 3. ภิกษุณีแลกเปลี่ยนจีวรกับภิกษุณีแล้วแย่งชิงเอาคืนต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังชิงเอาต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อชิงเสร็จแล้วต้องนิสักคยะปาจิตตี